วันนี้พวกเราก็ได้มาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมกันอีกครั้งหนึ่งการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นการเจริญปัญญาคือความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้แล้วนำเอามาเผยแผ่ สั่งสอนให้แก่พวกเราปัญญานี้มีอยู่สามระดับด้วยกันหรือสามขั้นตอนสามชนิดปัญญาขั้นที่หนึ่งคือการได้ความรู้จากการได้ยินได้ฟังเรียกว่าสุตมยปัญญาก่อนที่เราจะ มีปัญญาของเราเอางได้เราต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าก่อนเราจึงต้องฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเราจะได้รู้ว่าปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงรู้และทรงใช้ประโยชน์นั้นเป็นอย่างไรจึงต้องมี การฟังเทศฟังธรรมมีการศึกษาเรียกว่าสุตมะยปัญญาเมื่อเราได้ฟังแล้วก็จะนำไปสู่ปัญญาชนิดที่สองคือจินตามยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการคายครวรพิจารณาธรรมที่เราได้ยินได้ฟัง จากการฟังเทศฟังธรรมเพราะเวลาฟังเทศฟังธรรมเรายังอาจจะไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ยังไม่สามารถใช้ดับกิเลสตัณหาดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้เราก็ต้องเอามาพิจารณาค่อยๆอยู่เนือง พิจารณาอยู่เรื่อยๆ เ, เช่นทำที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราหมั่นพิจารณากันอยู่เรื่อยๆก็คืออนิจจังความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของร่างกายของพวกเราทุกคนตรงตรัสสอนไว้ว่าเมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความแก่เป็นธรรมดาร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาร่วงพ้นความเจ็บไข้ได้ป่วยไปไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีความตายไปเป็นธรรมดาล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เมื่อเกิดมาแล้วย่อมมีการพัดพรากจากกันเป็นธรรมดา ลวงพ้นจากการพัดพลากจากการไปไม่ได้นี่คือความรู้ความจริงของร่างกายของพวกเราทุกคนที่ทรงสอนให้พวกเรารู้กันและรู้แบบไม่ให้ลืมการที่จะไม่ลืมเราก็ต้องมาพิจารณากันอยู่เนืองๆถ้าเราฟังหนเดียว แล้วเราไม่นำเอามาพิจารณาต่อเดี๋ยวเราก็จะลืมได้เพราะเราจะไปคิดถึงเรื่องอื่นแทนเราจะไปคิดถึงเรื่องที่เราเคยคิดกันคือเรื่องหาลาบยศเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายกันพอเราไม่คิดเราก็เลยลืมไปเราก็เลยลืมความแก่ ลืมความเจ็บลืมความตายกันไปพอเราเจ็บขึ้นมาเราก็ตกใจกลัวกันทุกข์กันขึ้นมาเพราะว่าเราลืมคิดไปลืมเตรียมตัวเตรียมใจรับกับความแก่รับกับความเจ็บรับกับความตายกันแต่ถ้าเราหมั่นพิจารณาอยู่เนืองเนือง เราก็จะไม่หลงไม่ลืมแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วเรายังทําใจไม่ได้ก็เรายังปัว อ, อยู่เรายังทุกข์กับความแก่อยู่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ทุกข์กับความตายอยู่ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ปัญญาชนิดที่สาม ปัญญาชนิดที่สามนี้เรียกว่าภาวนามัยปัญญาคือเราต้องภาวนาทำใจให้สงบสมัิภาวนาเพราะเรารู้แล้วว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันต้องพัดพรากจากกันแต่เราไม่มีกำลังที่จะทำใจยอมรับ ความจริงอันนี้ใจเรายังมีความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพรากจากกันจึงทำให้เรายังต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายกันอยู่แต่ถ้าเรามาบาเพ็ญส ม, มะถะภาวนามาเจริญสติอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุม ความคิดของเราให้หยุดคิดให้ใจสงบให้ใจเป็นอัปปนาสมาธิถ้าเราได้อัปปนาสมาธิแล้วเวลาเราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคจากกันนี้เราจะรู้สึกเฉยเฉยเราจะไม่กลัวความแก่อีกต่อไปเราจะไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วย เราจะไม่กลัวความตายเราจะไม่กลัวความพัดภาคจากกันเพราะเราทําใจให้เฉยได้ทําใจให้ไม่ทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะเรามีอัปปนาสมาธิควบกับปัญญาความจริงความจริงก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาความจริงของร่างกาย ว่าร่างกายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราเราไม่สามารถไปสั่งให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้ <Yeah. S 1> เมื่อเรารู้ด้วยปัญญาว่าร่างกายจะต้องเป็นอย่างนี้ห้ามไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่ได้ <Yeah. S 1> เราก็ต้องยอมรับความจริง yeah. เราจะยอมรับความจริงได้โดยไม่ต่อต้านไม่มีความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราก็ต้องมีอัปปนาสมาธิกันตอนนี้เรามีสองอย่างมีสุตตะมยปัญญาเราได้ยินได้ฟังทรรมอยู่เรื่อยๆได้ยินได้ฟังเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายอยู่เรื่อยๆเพื่อเตือนใจเราไม่ให้หลงไม่ให้ลืม แล้วเวลาเราไม่ได้ฟังธรรมเราก็ต้องพิจารณาอยู่เนืองๆ เ, เพื่อไม่ให้ลืมพิจารณาว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมีการพัดพลากจากกันเป็นธรรมดาเมื่อเราพิจารณาอยู่เนืองๆ เ, เราจะไม่ลืมแต่ถ้าเรายังไม่ได้อัปปนาสมาธิเรายังจะทําใจไม่ได้ทําใจให้เฉยไม่ได้ พอคิดถึงความตายก็หดหูขึ้นมาพอคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็หดหูหรือหวาดกลัวขึ้นมาพอคิดถึงความแก่ก็เช่นเดียวกันเพราะเรายังไม่สามารถทำใจให้เป็นอุเบกขาสักแต่ว่ารู้ได้นั่นเองเราจึงต้องมาจเจริญส ม, มถภาพภาวนา หลังจากที่เราได้ยินได้ฟังสุตตะมยะปัญญาแล้วแล้วเรารู้ว่าเราต้องปล่อยวางร่างกายเราก็ต้องมาเจริญสมมทภาวนาเพราะการภาวนานี่แหละเป็นการปล่อยวางร่างกายเวลาเรานั่งสมาธิเราจะปล่อยร่างกายให้นั่งอยู่เฉยๆไม่ไปยุ่งกับร่างกายเราจะถอนใจออกจากร่างกาย ด้วยการใช้สติคำบริกรมทท ร, ทท ร, ร, กรมพุทโธพุทโธบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือจะจดจ่อดูลมหายใจเข้าออกก็ดูไปอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะรวมกันก็แล้วแต่ความถนัดความพอใจทำได้สามวิธีทำบริกรรมอย่างเดียวไม่ต้องดูลม 2. ดูลมอย่างเดียวไม่ต้องบริกรรม 3. ทั้งดูทั้งบริกรรมควบคู่กันไปก็จะเป็นการดึงใจให้ออกจากร่างกายดึงวิญญาณที่ไปเกาะติดอยู่กับร่างกายนี้ให้เข้ามาสู่ใจถ้ามีสติมีกำลังพอดึงวิญญาณเข้าสู่ ฐานของจิตได้จิตก็จะสงบตัวดังับการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มาทางต า, งต า, งต า, งตาหูจมูกลิ้นกายแล้วใจที่นิ่งที่สงบนี้ก็จะเป็นอุเบกขาจะสักแต่ว่ารู้ปัาศ จ, จากความรักความชังความกลัวความเหงา แล้วก็มีความสุขที่ได้จากความสงบ <c oughs> นี่คือสมาธิที่เราต้องเจริญกันให้ได้ปัญญานี้เราได้กันแล้วเพราะเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสอนมีพระอริยสงสารสอนพวกเรากันให้รู้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเราที่ทุกข์เพราะเราไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันเป็นของเราเวลามันแก่ก็อยากให้มันไม่แก่เวลามันเจ็บก็ไม่ก็อยากให้มันไม่เจ็บเวลามันจะตายก็อยากให้มันไม่ตายจึงทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเราต้องหยุดความอยากนี้เรารู้ด้วยปัญญาแล้วว่า ความทุกข์ของเราที่เกี่ยวกับร่างกายนี้เกิดจากความอยากของเราวิภาวะตัณหาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายอยากไม่พัดพลาดจากกันแต่เรายังไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากได้ยังไม่มีกําลังที่จะทําใจให้เฉยได้ให้เป็นอุบเบกขาได้เราจึงต้อง มาเจริญสติกันเพื่อที่จะได้ดึงใจให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิกันอย่าไปทางอุปจารสมาธิอุปจารสมาธิคือสมาธิที่ไม่นิ่งใจสงบแล้วออกไปรับรู้สิ่งต่างๆในโลกทิพย์ รับรู้กายทิพย์รับรู้สวรรค์รับรู้นรกรับรู้อดีตรับรู้อนาคตนี่คืออุปจารสมาธิอภิญญาต่างๆนี้ได้ในขณะที่จิตอยู่ในอัปปนาสมาอยู่ในอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี้ต้องผ่านอัปปนาก่อน จิตรวมเป็นหนึ่งแล้วไม่นิ่งไม่สักแต่ว่ารู้ไม่เป็นอุเบกขาออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆสมาธิแบบนี้ไม่ดีสมาธิที่ออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆถึงแม้ว่าจะเป็นของวิเศษคือทําให้มีความรู้ความสามารถพิเศษ แต่ความรู้ความสามารถพิเศษนี้ไม่มีกำลังที่จะไปะหยุดความอยากได้ไม่มีอุเบกขามีแต่ความสนุกเพลิดเพลินจากการมีอภิน ญ, ญามีความสามารถพิเศษถ้าเราภาวนาแล้วถ้าเรามีจริตที่จะออกไปในทางนี้ ท่านสอนให้เราดึงกลับเข้ามาในอัปปนาสมาธิให้ใช้คำบริกรรมดึงกลับมาให้ใช้สติดึงกลับมาแล้วแต่ว่าเรามีสติพอหรือไม่ถ้ามีสติพอก็ดึงกลับมาถ้าไม่พอก็ต้องเสริมด้วยคำบริกรรมพุโทโธพุโทโธพุโทโธอย่าไปรับรู้สิ่งต่างๆเรื่องราวต่างๆอย่าไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ ถึงแม้ ว, ว่าจะเป็นความสนุกเพลิดเพลินมันก็เป็นเหมือนกับที่เราไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆด้วยร่างกายของเรามันไม่ได้ทําให้ใจเรามีความนิ่งความเฉยความเป็นอุเบกขาไม่ได้ทําให้ใจเราสุขให้ใจเราอิ่มเราพอแต่กลับทําให้ใจเราหิวเกิดตัณหาความอยากขึ้นมา แทนที่จะระงับตัณหาความอยากกับเสริมความอยากขึ้นมาถ้านั่งแล้วเห็นหนู่นเห็นนี่ก็อยากจะนั่งเห็นอยากจะเห็นไปเรื่อยๆเห็นเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอพอมาเจอความแก่เจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายเจอการพัดพรากจากกันก็เศร้าโศกเสียใจ เพราะไม่มีกำลังที่จะทำใจให้เฉยเป็นอุเบกขาได้นี่คือสมาธิที่เรียกว่ามิจฉาสมาธิถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์จะหลงคิดว่าเป็นสมาธิที่ดีมีอิทธิฤทธิปาฏิหารมีความสามารถพิเศษที่คนธรรมดาสามัญ ไม่สามารถมีได้แต่เป็นความสามารถที่จะเป็นเครื่องมือรับใช้กิเลสตัณหาไม่ได้เป็นเครื่องมือที่จะมาฆ่ามาทำลายกิเลสตัณหา<ม>จึงต้องระมัดระวังเกี่ยวกับสมาธิแบบนี้<ม>ในเบื้องต้นนี้อย่าไปสนใจกับสมาธิแบบนี้ให้ดึงใจให้กลับเข้าสู่อุบเบกขา ให้เข้าสู่อัปปนาสมาธิสักแต่ว่ารู้แล้วก็ให้นิ่งอยู่นานๆ น, นิ่งอยู่บ่อยๆออกมาแล้วก็กลับเข้าไปใหม่ออกมาแล้วก็กลับเข้าไปใหม่ออม เ, ขหมเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปบ่อยๆเข้าไปจนชำนาญเข้าไปจนสามารถเข้าไปได้ทุกเวลาที่ต้องการน และขณะที่ออกมาก็มีความนิ่งเฉยมีอุบเบกขาอพอไม่นิ่งไม่เฉยก็กลับเข้าไปใหม่ให้มันนิ่งให้มันเฉยใหม่ทำอย่างนี้สร้างความนิ่งเฉยสร้างอุบเบกขาขึ้นมาให้ได้เพราะอุบเบกขานี่แหละจะเป็นผู้สนับสนุนปัญญาเมื่อมีอุบเบกขาแล้วทีนี้พอเราพบกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตาย พบกับการพัดพาดจากกันปัญญาก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่เราไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นเรื่องที่มันจะต้องเกิดขึ้นแต่มันไม่ได้เกิดกับตัวเราร่างกายนี้มันไม่ได้เป็นตัวเรามันเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาให้ให้เรามาใช้มารับใช้เราเท่านั้นเอง แล้วมันก็มีขอบเขตมีกรอบของมันคือมันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปนี่คือปัญญาให้รู้ว่ามันไม่เที่ยงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นคนรับใช้เป็นลูกกตาที่พ่อแม่สร้างขึ้นมาให้เรามารับใช้เราให้เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกรินกาย ไปหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญสุขกันแต่มันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่จะต้องหมดไปพอมันหมดไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาพระพุทธเจ้าทรงเห็นความจริงอันนี้จึงเลิกใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆแล้วหันมาใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญา เป็นเครื่องมือหาความสุขแทนพอใจได้สติเวลานั่งใจก็จะสงบเป็นอัปปนาสมาธิแล้วก็จะมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากราบยศสรรเส ร, ริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็จะทำให้ใจสามารถที่จะตัดความสุขทางร่างกายได้ เวลาร่างกายแก่ก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาร่างกายตายไปก็จะไม่เดือดร้อนก็จะสามารถปล่อยวางร่างกายได้ละตันหาความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้เพราะใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจยังอยู่และมีความสุขอยู่เหมือนเดิม ไม่ว่าจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายความสุขที่ได้จากอัปปนาสมาธินี้ไม่เสื่อมไปกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอันนี้ก็จะทำให้เราดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจของเราได้นอกจากความอยากในร่างกายเราก็ยังมีความอยากในเรื่องอื่น ไม่ว่าจะเป็นความอยากอะไรก็ตามถ้าเราไม่กาจัดมันมันก็ยังจะสร้างความทุกข์ให้กับใจเราได้เสมอแต่ถ้าเรามีปัญญาเราก็จะสามารถหยุดความอยากต่างๆได้เพราะสิ่งต่างๆที่เราอยากได้นั้นมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นของภายนอก เช่นราบยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพ ะ, ะไม่ว่าจะเป็นร่างกายไม่ว่าจะเป็นเวทนาขันห้าก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ว่าจะเป็นธรรมอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจก็เป็นอนัตตาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันตาใจไปมีความอยาก ก็จะทุกเวลาที่มันเสื่อมแต่ถ้ามีปัญญาใจก็จะไม่อยากเพราะจะเพราะไม่ต้องการความทุกข์ถ้าไม่ไปมีความอยากกับสิ่งต่างๆไม่มีความอยากกับลาบยศสารเสริญไม่มีความอยากกับความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายไม่มีความอยากกับร่างกายไม่มีความอยากกับเวทนาเอ ไม่มีความอยากกับธรรมอารมณ์ที่มีอยู่ภายในใจปล่อยให้มันเกิดดับของมันไปตามเรื่องของมันใจก็จะไม่ทุกข์กับสภาวะธรรมเหล่านี้สภาวะธรรมเหล่านี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นต้องปล่อยหมดแล้วใจก็จะไม่ทุกข์ใจก็จะสุขไปตลอด ใจที่ไม่ทุกข์ใจที่สุขไปตลอดก็คือนิบบานังปรมังสุขขังนี่เองใจที่ปราศจากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆถูกทำลายไปหมดด้วยปัญญาคือภาวนามายปัญญาปัญญาที่มีสมาธิอปปนาสมาธิสนับสนุนภาษาวงทั้งหลายนี่ท่านบรรลุธรรมได้ ในขณะที่ฟังธรรมเพราะท่านสามารถเจริญจากสุตตมยะปัญญามาเป็นภาวนามัจปัญญาได้เพราะใจของท่านมีอัปปนาสมาธิกัน<ม>พอพระพุทธเจ้าทรงแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาท่านก็สามารถน้อมเข้ามาละกิเลสตัณหาความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของท่านได้หมดม ท่านสามารถบรรุธรรมได้ในขณะที่ฟังธรรมเลยเพราะท่านมีอัปปนาสมาธิแต่ท่านไม่มีปัญญาท่านเลยต้องรอการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าตัดสะรู้แล้วมาสั่งสอนเอาอนิจจังทุกขังอนัตตามาสั่งสอนท่านเหล่านั้นก็สามารถระงับดับความทุกข์ต่าง ที่มีอยู่ภายในใจได้ทันทีเลยเพราะใจท่านมีพลังมีอัปปนาสมาธิกันแล้วพวกเรานี้เป็นตรงกันข้ามกันพวกเรามีปัญญาฟังเทศฟังธรรมกันมาจนหูฉีกแล้วได้ยินได้ฟังอ น, นิจจังทุกขังอนัตตากันมาตลอดได้ยินได้ฟังอริยสัจสี่ว่าทุกเกิดจากตัณหาความอยากต่างๆ แต่เราไม่มีอปปนาสมาธิกันไม่มีกำลังที่จะหยุดความอยากกันพอแก่ก็อยากจะไม่แก่ทันทีพอคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยพอคิดถึงความตายก็อยากไม่ตายกันก็เลยทำให้เราทุกข์กันแต่ถ้าเรามาฝึกจเจริญสติกัน แล้วมานั่งสมาธิจนใจเป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมารับรองได้ว่าจะไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไม่ทุกข์กับความตายพราะจะเห็นด้วยปัญญาว่าร่างกายเป็นอนิจจังไม่เทีย่ยงเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นของขวัญเป็นตุ ก, กตาที่พ่อแม่ให้กับเรามา เพื่อให้เราเอามาใช้หาความสุขต่างๆแต่หลังจากที่เราได้พบกับพระพุทธเจ้าเราจึงรู้ว่าความสุขที่เราได้จากร่างกายนี้เป็นความสุขปลอมเพราะมันจะทำให้เราทุกเวลาที่ร่างกายไม่สามารถหาความสุขได้เราก็ต้องหยุดการพึ่งร่างกายหาความสุข โดยการจเจริญอัปปนาสมาธิกันพอได้อัปปนาสมาธิแล้วใจจะสงบมีความสุขไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขพอไม่ต้องใช้ร่างกายก็ไม่เดือดร้อนร่างกายจะเจ็บจะตายหรือไม่จะแก่หรือไม่ก็ไม่เป็นปัญหาเพราะเราไม่ได้พึ่งเขาแล้วเขาแก่หรือไม่แก่เราก็ไม่ได้ใช้เขา เขาเจ็บหรือไม่เจ็บเราก็ไม่ได้ใช้เขาเขาตายหรือไม่ตายเราก็ไม่ได้ใช้เขาเราอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเขาไม่ต้องมีร่างกายถ้าเรามีอัปปนาสมาธิถ้าเรามีปัญญาเราก็จะเลือกอยู่แบบไม่มีร่างกายดีกว่าเพราะการมีร่างกายนี้มันเป็นความทุกข์เพราะเมื่อมีร่างกายร่างกายก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ร่างกายต้องได้รับการดูแลด้วยปัจจัยสี่ต้องหาเงินหาทองหาข้าวหาของมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันเหน็ดเหนื่อยกันอันนี้คือเรื่องปัญญาระดับที่สามคืออปปนาสมาธิคือภาวนามายะปัญญาที่จำเป็นจะต้องมีปัญญาที่ได้จากสุตตะหรือจินตา มายาปัญญามาและสนับสนุนด้วยสมาธิอัปปนาสมาธิปัญญาที่ได้จากสุตตะมยาปัญญาหรือจินตามายาปัญญาก็จะกลายเป็นภาวนามยาปัญญาขึ้นมาเป็นปัญญาที่สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาภายในใจได้อย่างทันทีทันใดไม่ว่าจะเป็นทุกชนิดไหน ทุกภายนอ ก, <c oughs> ท, ก, กทุกกับลาบยศสรรเสริญทุกกับรูปเสียงกลิ่นนสดโธพะะทุกกับร่างกายทุกกับความเจ็บของร่างกายทุกกับอารมณ์ต่างๆนี่ถ้ามีภาวนามายปัญญานี้ดับได้ทันทีเพราะจะพิจารณาสิ่งที่ใจไปทุกด้วยว่าเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาพอพิจารณาว่าเป็นทุกขังก็เลยต้องปล่อยไม่ยุ่งกับมันดีกว่า เหมือนกลับไปจับอของร้อนเช่นไปจับฐานไฟร้อนๆโดยไปคิดว่ามันเป็นของเย็นพอไปจับเข้านี่มันเผามือที่จับก็ต้องสลัดทิ้งทันทีแต่สิ่งที่เราไปจับการ น, นี้มันไม่ร้อนทันทีตอนต้นไปจับมันมันเย็นเช่นลาบยศสระเสร รูปเสียงกินน่นรสนี่เวลาได้มาใหม่ๆ ม, ม, มันเย็นมันให้ความสุขกับเราแต่พอสักระยะหนึ่งมันจะเปลี่ยนไปจากเย็นมันจะกลายเป็นร้อนขึ้นมาตอนนั้นเราก็สายไปเสียแล้วเป็นเหมือนปลาที่ติดเบ็ดแล้วดิ้นไม่ดิ้นไม่หลุดแล้วพอไปจับมาแล้วก็จะเกาะจะติดกับมันทันทีจะยึดมั่นถือมั่น ถึงแม้จะทุกข์อย่างไรก็ไม่ยอมปล่อยเพราะไม่รู้จักวิธีปล่อยต้องมาศึกษาวิธีปล่อยจากพระพุทธเจ้าต้องปล่อยด้วยการเจริญสติโดยการนั่งสมาธิทาใจให้สงบแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เป็นสุขตลอดเวลา มันมีสุขแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปพอหมดไปมันก็ทำให้เราทุกข์กันเช่นอยู่กับสามีอยู่กับภรรยาพอสามีหรือภรรยาจากกันตายไปตอนนั้นความสุขก็หายไปเหลือแต่ความทุกข์นี่คือเรื่องของปัญญาทั้งสามชนิดด้วยกันที่เรามาเจริญกัน ปัญญาชนิดแรกก็สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังปัญญาของพระพุทธเจ้าก็ต้องอาศัยการมาฟังเทศฟังธรรมกันฟังว่าอะไรคือสุขอะไรคือทุกข์อะไรคือต้นเหตุของความทุกข์อะไรเป็นต้นเหตุที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจของเราให้หมดไป เมื่อเราได้เรียนรู้แล้วเราก็เอาไปทบทวนใครําควรอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้ไม่ลืมอไม่ลืมว่าทุกนี้เกิดจากความอยากของเราและการจะดับทุกนี้ก็เกิดจากการที่เราจเจริญมรรคกันจเจริญสติจเจริญสมาธิจเจริญปัญญาจเจริญศีลเจริญทานกันนี่คือการ พิจารณาค่อควรอยู่เรื่อยๆเมื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเมื่อเราไม่ลืมนะเราก็นําเอาไปปฏิบัติทำให้มันเกิดพลังให้แก่ใจที่จะมาละความอยากต่างๆตอนนี้เรายังละความอยากต่างๆไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ปฏิบัติอย่างเต็มที่เรายังยึดยังติดยังรักยังห่วง ในลาบยศตะรเสริญในความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันอยู่อย่างรักร่างกายยังรักเวทนาสุขเวทนากันอยู่ยังรักธรรมอารมณ์กันอยู่ก็เลยทำให้เราต้องทุกข์กันเวลาที่สิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปจากสุขมากลายเป็นทุกข์เพราะทุกสิ่งทุกอย่างไม่เทียมมันสลับกันจากสุขก็จะกลับมาเป็นทุกข์จากทุกข์มันก็จะกลับไปเป็นสุข แต่เวลามันทุกนี่มันแสนทรมานแต่ถ้าเรามาเจริญมรรคกันม า, มาปฏิมาปฏิบัติทานศีลภาวนากันเราจะมีพลังที่จะทำให้เราไม่ทุกข์กับเวลาที่ลาบยศสลรเสริญสุขเสื่อมไปเวลาที่ร่างกายเสื่อมไปเวลาที่สุ ข, ขเวทนาเสื่อมไป เวลาทำอารมณ์ที่ดีที่ให้ความสุขกับเราเสื่อมไปเราก็จะทำใจเฉยๆได้ไม่มีความอยากให้สิ่งเหล่านั้นกลับมาถ้าเขาจะกลับมาก็ปล่อยเขากลับมาเองเขาไม่กลับมาก็ไม่เดือดร้อนถ้าเรามีกําลังมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะสอนใจให้อยู่เฉยๆ อยู่กับการเจริญอยู่กับการเสื่อมเพราะเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างนี้เหมือนฝนฟ้าอากาศเราไปควบคุมบังคับฝนฟ้าอากาศไม่ได้จะสั่งให้ฝนตกสั่งให้ฝนหยุดไม่ได้ฝนเขาอยากจะตกเขาก็ตกเขาอยากจะหยุดเขาก็หยุดเช่นเดียวกับลาบยศสรรเสริญกับรูปเสียงเก็บนดต่าง กับร่างกายกับเวทนาความรู้สึกกับอารมณ์ต่างๆที่มีอยู่ในใจเขาเป็นอนตัตตาเหมือนกับเป็นฝนฟ้าอากาศลมฟ้าอากาศเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยของเขาเราถ้าไม่อยากจะทุกข์กับเขาเราต้องทําใจเฉยๆกับเขา ให้รับรู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้เห็น euh, อะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยิน euh, สัมผัสกับอะไรก็ให้สักแต่สัมผัสไปอย่าไปเกิดความอยากเกิดความรักเกิดความชังขึ้นมาอย่าไปเกิดความอยากภาวะตัณหาหรือวิภาวะตัณหาขึ้นมาอย่าไปอยากได้หรืออยากโยนต์อยากจะกําจัดมัน เพราะมันทำไม่ได้เหมือนกับฝนฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศเราไปกำจัดไม่ได้เวลาฝนตกน้ำท่วมเราจะไปกำจัดมันไม่ได้เวลามันแห้งแล้งฝนไม่ตกเราก็ไปสั่งให้มันตกไม่ได้แต่เราไม่เราจะไม่ต้องทุกข์กับมันได้ถ้าเราทำใจให้เฉยเฉยอย่าไปอยากกับเขาอย่าไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เราก็จะไม่ทุกข์กับเขาถ้าเรายังหยุดความอยากไม่ได้เราก็ยังจะต้องทุกข์อยู่ถ้าเราอยากจะหยุดความอยากเราก็ต้องมาเจริญสติมานั่งสมาธิมาทําใจให้เป็นอัปปนาสมาธิกันแล้วก็สอนใจด้วยปัญญาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาเขามีการเปลี่ยนแปลงไป เรื่อยๆมีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับหมุนไปเวียนมาเหมือนฝนฟ้าอากาศเราไปสั่งไปห้ามเขาไม่ได้สัพเพ ธ, ธมาอนัตตาหน้าที่ของเราก็คือให้อยู่กับเขาแบบเฉยๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายไม่มีความอยากให้เขามาหรืออยากให้เขาไป แล้วเราจะไม่ทุกข์กับเขาแล้วพอร่างกายนี้หมดไปเราก็ไม่ต้องมาสัมผัสรับรู้กับอะไรอีกต่อไปเราจะอยู่กับความว่างเพียงอย่างเดียวนิบานังบาลังศูนย์อย่างนี่ผ่านนี้เป็นความว่างเพราะพอไม่มีร่างกายแล้วก็ไม่ต้องมาสัมผัสรับรู้กับลาบยศสัลเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรส ไม่ต้องมาสัมผัสรับรู้กับร่างกายกับเวทนาไม่ต้องสัมผัสรับรู้กับธรรมอารมณ์ต่างๆเพราะใจนี้ว่างจากสิ่งเหล่านี้ก็เลยไม่มีอะไรมาสร้างความทุกข์ให้กับใจใจก็เป็นปรมังสุขขังขึ้นมาใจที่อยู่กับปรมังสุญญอย่างอยู่กับความว่าง ก็เป็นใจที่เป็นปรมังสุขขงังนี่แหละความว่างนี่แหละที่เป็นความสุขที่แท้จริงที่เป็นนิจจังสุขขังอัตตาความว่างนี้ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันเปลี่ยนแปลงมันจะว่างของมันไปเรื่อยอานาตตามันอัตตาคือมันเป็นของเราจะอยู่กับใจไปตลอดมันอยู่กับใจเราตลอดเวลา แต่เราไม่ยอมอยู่กับความว่างกันเราชอบนี้ไปอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสกันไปอยู่กับร่างกายกันไปอยู่กับลาบยศสรสรินสุกกันใจเราจึงต้องทุกข์กันเพราะสิ่งเหล่านี้เขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่สิ่งที่ไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราไม่อยู่กันก็คือความว่างความไม่มีอะไรนี่แหละ ไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขังอัตตาจึงเป็นความสุขใจจึงพบกับประโมมรสเพราะใจไม่ได้ไปอยู่กับสิ่งที่ทำให้ใจทุกข์นั่นเองไม่ได้อยู่กับลาบยศสรรเสริญไม่ได้อยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสไม่ได้อยู่กับร่างกายไม่ได้อยู่กับเวทนาไม่ได้อยู่กับธรรมอารมณ์อยู่กับความว่างอยู่กับความสงบอยู่กับ อยู่โดยไม่มีความอยากระงับดับความอยากต่างๆหมดไปจากใจใจเลยว่างใจของพวกเราตอนนี้ยังไม่ว่างยังมีความอยากมีความโลภจึงทำให้เราไปเอาราบยศสรรเสริญเอารูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาสร้างความทุกข์ให้กับใจเรามาทุกข์กับลาบยศสรรเสริญมาทุกข์กับรูปเสียงกลิ่นรสกัน มาทุกกับร่างกายกันมาทุกกับเวทนากันมาทุกกับธรรมอารมณ์กันเพราะเราไม่มีกําลังที่จะถอนใจให้ออกจากสิ่งเหล่านี้เราจึงต้องมาปฏิบัติกันนี่พระที่บวชกันนี้ท่านก็บวชเพื่อที่จะสร้างพลังให้มีกำลังให้ใจมีกําลังถอนตอนเองออกจาก การหาลาภยศเสริญการหาลูกเสียงกลิ่นรสผลพระการหาร่างกายการหาเวทนาการหาธรรมอารมณ์ต่างๆมาเสพกันเอด้วยพลังของสติของสมาธิและปัญญานี่คือการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้าการบำเพ็ญของพระอรหันตาสาวก และการบำเพ็ญของพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายท่านบำเพ็ญเพื่อถอดถอนใจให้ออกจากการไปมีความอยากกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกของสังสารวัฏนี้ที่ทำให้พวกเรามาเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏก็เพราะว่าเรามีความอยากกับโลกของสังสารวัฏนั่นเอง อยากกับรูปเสียงกลิ่นรสอยากกับลาบยศสรรเสริญอยากกับร่างกายอยากกับเวทนาอยากกับธรรมอารมณ์เนี่ยมันเลยทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏนี้อยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดเราก็ต้องทุกข์กับมันไปอยู่เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าเราจะได้มา จะเล่นปัญญาสุตตมายาปัญญากันมาได้ยินได้ฟังธรรมให้เรารู้ว่าสถานภาพของเราตอนนี้เป็นอย่างไรและเราจะแก้ไขสถานภาพของเราได้อย่างไรตอนนี้เราติดกับลาบยศสรรเสริญติดกับเลือเสียงกลด็ดนสติดกับสภาวะธรรมต่างๆเราต้องถอดถอนใจออกด้วยการพิจารณา สภาวะธรรมทั้งหลายที่เรากำลังติดอยู่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราก็ต้องมาสร้างกำลังมาเจริญสติมานั่งสมาธิเพื่อทำใจให้เป็นอุเบกขาเมื่อเรามีอุเบกขาเราก็จะถอนความอยากต่างๆกับสภาวะธรรมทั้งหลายได้ไม่อยากได้ราบยศสรสเสรนไม่อยากได้รูปเสียงกลิก่นรส ไม่อยากได้ร่างกายไม่อยากได้ความสุขจากทางร่างกายไม่อยากได้ธรมรมอารมณ์ความสุขจากธรมรมอารมณ์ทั้งหลายนี่คือจุดหมายปลายทางที่เราต้องไปตอนนี้เราติดอยู่กับราบยศสลเสิญติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสติดกับร่างกายติดกับเวทนาติดกับธรมรมอารมณ์ เราต้องถอดถอนด้วยการเจริญสติด้วยการนั่งสมาธิแล้วก็เจริญปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่เรากำลังติดอยู่นี้มันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยง ม, มีเกิดแล้วก็มีดับเวลาเกิดก็ดีใจสุขกันเวลาดับก็ทุกข์กันมันก็เกิดเกิดดับๆมันก็เลยทาให้เราสุขทุกข์สลับกันไปเวลาทุกข์ก็แสนทุกข์เลย บางทีทุกถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายกันเวลาสูญเสียความสุขที่มีอยู่ไปใช่เวลาสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสูญเสียคนที่รักไปนี่บางคนนี้อยู่ไม่ได้ต้องฆ่าตัวตายนี่คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการมาฟังเทศฟังธรรมได้สุตามะยะปัญญา ได้รู้ว่าปัญหาของเราเป็นอะไรความทุกข์ของเราเกิดจากอะไรและวิธีแก้ปัญหาของเราวิธีดับความทุกข์ของเราจะต้องทำอย่างไรนี่คือสุดต ร, รมยปัญญาเมื่อเรารู้แล้วเราก็เอามาคอยเตือนใจไม่ให้หลงไม่ให้ลืมแล้วพอไม่ลืมเราก็จะได้นำออกไปปฏิบัติต่อไปเราต้องมาทำทานมัสระ ทรัพสมบัติเข้าของเงินทองกันมารักษาสินกันมาภาวนากันมาเจริญสมถะภาวนาทําใจให้สงบกันแล้วก็มาใช้ปัญญาพิจารณาสภาวะธรรมทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราถ้าเราทําเจริญธรรมเหล่านี้ได้ปฏิบัติธรรมเหล่านี้ได้เราก็จะมีกําลังที่จะละปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไปได้แล้วความทุกข์ต่างๆก็จะหมดไปใจของเราก็จะมีแต่ความสุขเพราะเมื่อไม่มีตัณหาแล้วก็จะไม่มีการกลับมาเกิดเด็กต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดก็จะไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตายไม่มีการพัดพลากจากกันนี่คือสิ่งที่พระเจ้าสงสอนเรา เรียกว่าเป็นสุตตามยะปัญญาแล้วเราก็นำเอาไปพิจารณาค่ายวรต่อไปให้มันเป็นจินตามายะปัญญาเพื่อไม่ให้หลงไม่ลืมแล้วพอเราไปปฏิบัติเราก็จะได้ภาวนามายะปัญญาทำให้สุตตามยะปัญญาจินตามายะปัญญานี้กลายเป็นภาวนามายะปัญญาขึ้นมาถ้าเราได้บาเพ็ญสมถภาวนา จนเราได้อัปปนาสมาธิขึ้นมาแล้วใจของเราก็จะละตันหาความอยากต่างๆได้ทำให้ใจของเราอยู่กับความว่างได้อยู่กับความไม่มีอะไรได้ความความไม่มีอะไรนี่แหละเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะถ้ามีอะไรแล้วมันจะต้องทุกข์เพราะมันจะต้องเสื่อมถ้ามีอะไรแล้วมันจะต้องมีวันเสื่อมทำมันไดที่มีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ทำเหล่านั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดาอางถ้ามีอะไรก็จะต้องทุกข์กับสิ่งที่มีอย่างแน่นอนแต่ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่ต้องทุกข์กับอะไรก็จะสุขไปตลอดใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอาลันตสาวกนี้ไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรไม่ต้องการอะไรอยู่กับความว่างอยู่กับนิบานังปรามังสุญัติ อยู่กับนิพพานังปรมังสุขขังพอแล้วเป็นความสุขที่สุดยอดก็เป็นความสุขเต็มร้อยไม่มีความทุกข์ผสมเจือปนเข้ามาแล้วเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวายหมดสิ้นไปนี่คือผลที่เราจะได้รับจากการที่เรามาเจริญสุตตามิยปัญญาจินตามิยปัญญาและภาวนาไมยปัญญา ขอให้พวกเรามีศรัทธาความเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้าเถิดทุกคนสามารถปฏิบัติตามได้ไม่ได้ขึ้นก็ไม่ได้เลือกว่าจะต้องเป็นนักบวชเพียงอย่างเดียวนักบวชก็ปฏิบัติตามได้ฆราวาสผู้ครองเรือนก็ปฏิบัติตามได้หญิงก็ได้ชายก็ได้เด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ได้หมดเพราะใจเหมือนกัน คนเราทุกคนมีใจเหมือนกันมีใจที่สามารถรองรับธรรมะของพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันมีใจที่สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เหมือนกันทั้งหมดทุกคนอย่างนั้นอย่าให้เพศหรือวัยมาเป็นข้ออ้างว่าเราทำไม่ได้อันนี้เป็นเป็นการขัดขวางตนเองด้วยอำนาจของความหลงคือคือโมหะอวิชานี่ เราต้องคิดว่าทำได้ทุกคนสมัยพระพุทธการนี้มีผู้ที่สำเร็จบรรลุถึงพระนิพพานนี้มีอยู่ทุกเพศทุกวัย ท, ทุกชัช้นวรรณะนักบวชก็มีข้ารวาสก็มีหญิงก็มีชายก็มีเด็กก็มีสามารถบรรลุกันได้ทุกคน ขอให้เรามีศรัทธาความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมีวิริยะความอุตสาหะที่จะภาคเพียรพยายามปฏิบัติตามที่พุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเถิดแล้วรับรองได้ว่าผลต่างๆที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รับก็จะเป็นผลที่พวกเราจะได้รับกันต่อไปอย่างแน่นอน การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถ า, าวาเรวาหาปุราปาริปุรเรนติสขาขหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานาังอุปกาปติ อิที่ตังปะที่ตังตุมหังคิปวามีวาสมิจโตสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนาะราโสยทธามานิจโชติะราโสยะธาสัพพิติโยวิวาจันโุสัพพะโรโขวินัสตุ มาเตภวตวันตราลอยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศิลิสานิจังวุธาปจายโนจตารุธรมาวัฏานติอายุวโนสุขังภาลัปีศาจเ ผมมีข uh. MM. ้อสงสัยนิดหนเลยถามได้ว่าอัปปนาสมาธิเนี่ยครับจิตขวงเราถ้ากระทบอารมณ์แล้วไม่หวั่นไหวไม่เดืดเดือได้วางเฉยอย่างนี้เป็นอัปปนาหรือเปล่าอถ้าวางเฉยก็ใช่นะวางเฉยรู้อยว่วารู้ครับใครจะว่าอะไรก็เฉย ครจะทาอะไรก็เฉยเป็นเป็นอมตะใช่ไหมครับอ่าเป็นอมณาแล้วก็เป็นปัญญาด้วยครับคือและทุกอริยบทมันก็สี่ก็ยืนนั่งนอนอ่าไม่ว่าเราจะพบกับเหตุการณ์ที่ไหนอย่างไรสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกับลาบยศสรรเสริญก็สักแต่ว่า ร, รู้ไปไม่ดีใจไม่เสียใจกับการได้มาหรือเสียไปผมปฏิบัติอย่างนี้อ่าถูกต้องแล้วถูกต้องหมครับ ถ้าทำได้ก็สบายถ้าไม่ทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ก็ใช้ได้เหมือนเหมือนหยดน้ำบอลบนใบบัวสัมผัสรับรู้กันแต่ไม่ซึมซาบเข้าหากันไม่ดูดกันเหมือนกับกระดาษกับหยดน้ำํำถ้าใจมีความอยากมันจะดูดกันพอได้แล้วมันจะดีใจสุดๆพอเสียไปก็จะเสียใ จ, ใจสุ ด, สดๆต้องเฉยๆต้องใจเป็นกลางอ หายสงสัยแล้วครับอ่าดีทำไปอีไม่ใช่ปัญญาจากสมาธิมันคนละอย่างกันสมาธิอย่างในปัญญาอย่างหนึ่งอ่ามันไม่ได้ปัญญามไม่ได้มาจากสมาธิปัญญามันมาจากการได้ยินได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าจากการมาพิจารณาไข้กวนด้วยเหตุด้วยผล อ, อันนี้เรียกปัญญาสมาธิไม่ทำให้เกิดปัญญา คนส่วนใหญ่คิดว่านั่งสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติไม่เกิดเพราะคนละภาควิชากันคนรับแผนกันแผนกของสมาธิคือทำใจให้นิ่งให้เป็นอุเบกขาสิ่งที่ได้จากสมาธิคืออุเบกขาไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงแต่ปัญญานี่เกิดจากการที่เราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เราไปรักไปชังนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เราต้องไม่ไปรักไม่ไปชังเพราะไปรักไปชังแล้วเราจะทุกข์อันนี้เรื่องของปัญญาต้องมาคิดมาพิจารณาดูเวลาเราไม่สบายใจกับใครใแสดงว่าเราทุกข์แล้วทุกข์เพราะอะไรเราไปรักเขาหรือไปชังเขาแล้วรักก็ทุกข์เพราะกลัวเขาจะจากเราชังก็ทุกข์เพราะอยากให้เขาจากแต่เขาไม่จาก อันนี้ต้องใช้ปัญญาถึงจะเห็นถึงแม้จะมีอุเบกขาแต่ถ้าถ้าไม่มีปัญญามันก็ยังออกจากอุเบกขาได้พอเจออะไรรักก็รักอีกแล้วชังก็ชังขึ้นมาถึงต้องใช้ปัญญาสอนให้ให้อยู่ในที่อุเบกขาพอพอฟังมากๆแล้วเกิดส น, ดนุกันพอ่อเพราะว่าโยมจะฟังแบบของหลวงพ่อทิรนาค่ะฟังก็ลอ เกือบสองปีพอฟังมากๆแล้วเหมือนกับเรารู้แต่ไม่รู้อแล้วมันจะสลดมันมันจะมีความรู้สึกสลดก็ยังก็ยังเป็นกิเลสอยู่เป็นกิเลสต้องฝึกเยอะๆต้องเฉยไม่สลดจะตายก็ตายไปจะอยู่ก็อยู่ไม่ได้กลัวหลวงพ่อไม่ได้กลัวอแต่มันมีความรู้สึกเบื่อสลดไม่มันไปหมดนะคะนั่นแหละมันต้องไม่เบื่อไม่อะไรทั้งนั้นมันต้องเฉยเฉย ยังติใช่ไหมต้องเฉยๆมันเป็นอย่างนี้แหละจะไปให้มันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงเราสรดเพราะว่าเราเคอยากให้มันดีให้มันเจริญแต่พอพิจารณามันเห็นมันเสื่อมไปหมดมันก็เลยสลดขึ้นมามันต้องหายสลดเพราะมันเป็นอย่างนี้แหละใช่มันเจริญแล้วมันก็ต้องเสื่อม อไม่ต้องไปสลดกับมันอะอพอนต้งก็สลดสังเวทก่อนแล้วค่อยปรองยอมรับเ<อ>นี่ยพอพอยอมรับแล้วมันก็หายสลดสังเวอทตอนต้นมันสลดก่อนมันเห็นแล้วทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างจะต้องจบมันก็เลยเกิด ค, ความรู้สึกสลดขึ้นมาแต่พอพิจารณาต่อไปมันก็บอกว่าเราจะทํางานมันเป็นอย่างนี้แหละออ่าไปสลดมันก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรอ ก็อยา ก, กลับมาเกิดเท้านั้นเองเอา่อาอย่าไปอยากกับมันเทานั้นเองมัน <m akes> จะมีอะไรที่สอนตัวเองตลอดเลยล่ เ, เกิดอีกมันก็เจ็บอีกอมันก็โกรธอีกอคนนั้นตายคนนี้ใจมันมันจะอย่างนั้นอะไรต้องตัดความ อ, อยากความอยากที่จะใช้ร่างกายาถ้ายังอยากดูอยากฟังอยู่ก็ต้องตัดมันถ้าไม่ตัดเดี๋ยวตายไปก็กลับมามีร่างกายใหม่ต้อง อ, อยู่แบบนักบวชอยู่แบบพระไม่หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาความสุขแต่จากการทําใจให้สงบเป็นอุเบกขานแล้วต่อไปมันก็จะไม่ไม่สลดมันจะเฉยเฉยมันจะเห็นว่ามัน เ, นเรื่องของโลกเป็นเรื่องเป็นธรรมดาของโลกมีเกิดก็มีดับมีเจริญก็มีเสื่อมไปเหมือนกับเราสลดกับฝนฟ้ากัากนหรือเปล่า ไม่ไสลดใช่ไหมใช่ไหบาวเดี๋ยวก่อนเลยถามสลดกับฝนฟ้าอากาศหรือเปล่าไม่เข้าใจค่ะอ้าวไม่เข้าใจเห็นฝนตกแล้วฝนหยุดแล้วคุณสลดไหมอ๋อไม่ค่ะแต่เห็นอะไรเห็นอย่างอืู่เห็นเงินเจริญแล้วเงินหมดไปแล้วสลดใช่ไหมเห็นคนเกิดมาแล้วเห็นคนตายสลดก็ยังแสดงว่าคุณยังไม่ปล่อยถ้าคุณปล่อยคุณต้องเห็นเหมือนกับฝนฟ้าอากาศคือเหมือนกับ เหมือนเราหลอกตัวเองว่าเราปล่อยอ่าแต่พอถึงเวลาพวกมันบีบนั่นแหละมันยังไม่ปล่อยมันไม่มีสัปปนาสมาธิมันไม่มีอุเบกขามันทําใจเฉยเฉยไม่ได้ถึงเวลาดังนั้นไปยาพยายามไปนั่งสมาธิบ่อยๆให้ใจเกิดอุเบกขาขึ้นมาแล้วมันจะไม่ไม่บีบใจอุเบกขาจะเฉยเฉยการฟังอย่างเดียวจึงไม่พอไงอ ฟังมันก็ได้สุตตะมยาปัญญาถ้าไปพิจารณาก็ได้จินตามายาปัญญาแต่ยังไม่เป็นภาวนามนยาปัญญาแต่ถ้าไปฝึกสมาธิปั๊บแล้วมาใช้มาฟังทำใหม่หรือมาพิจารณาใหม่ปั๊บมันจะลงได้ปล่อยได้เฉยได้ไม่สลดไม่สังเวชไม่อะไรทั้งนั้นสักแต่ว่ารู้ไปอย่างเดียว พ่ะเจ้าสอนเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินไม่ให้สลดสังเวชไม่ให้ดีใจไม่ให้เสียใจก็ไม่ทําสมาธิไงนนิ่งค่ะเวลาต้องสมาธิจะุ๊บนิ่งเลยแต่ก็นิ่งขึ้นไม่ได้อะไร้สาระเลยแต่นิ่งไม่พอนิ่งอย่างอนิ่งไม่พอถ้านิ่งก็อาจจะพอแต่พอออกมาลืมลืมใช้ปัญญาอ่ะมันต้องใช้ปัญญาด้วยคว่าต้องปล่อยวางมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วมันก็จะไม่สลด ทำได้ทั้งสองอย่างเนี่ยทำทั่งสมาธิทำทั้งปัญญาสลับกันเวลานั่งสมาธิก็ไม่ต้องพิจารณาให้พุดโธพุโทโธอย่างเดียวให้จิตรวมพอจิตรวมสงบก็ปล่อยมันสงบไปนานๆจนกล้ามันจะถอนออกมาเองพอถอนออกมากมา็มาพิจารณาปัญญาต่อทุกอย่างเป็นไตายแล้วเกิดแล้วต้องดับไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราเป็นดินน้ำลมไฟเป็นเป็นธรมนธรมาชาติ แล้วต่อไปมันก็จะไม่ไม่ไม่สลดสังเวชมันถ้าพิจารณาร่างกายจนเห็นว่ามันเป็นอนัตตามันก็จะเห็นว่าไม่มีร่างไม่มีใครในร่างกายไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีเด็กไม่มีผู้ใหญ่ไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีลูกไม่มีใครอยู่ในร่างกายอันนี้ร่างกายนี้มันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟมันมารวมตัวกันแล้วเดี๋ยวมันก็แยกทางกัน ผู้ที่มาครอบครองก็แยกไปใจผู้มาครอบครองใจที่เป็นพ่อใจที่เป็นแม่เนี่ยไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจของพ่อก็ไปต่อใจของแม่ก็ไปต่อถ้ามีความอยากก็ไปมีร่างกายใหม่ต่อถ้าไม่มีความอยากก็ไปอยู่กับพระพุทธเจ้าก็มีท้องทางนั้นต้องมาตัดความอยากมาละความอยากทั้งหมด อยากในราบยศสะละเสริญอยากในรูปเสียงกลิ่นรสอยากในร่างกายอยากในเวทนาอยากในอารมณ์อยากจะมีแต่อารมณ์ดีใช่ไหมเพราอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็ทุกข์แล้วต้องอย่าไปอยากมันจะดีไม่ดีก็ต้องรู้ว่ามันเป็นธรรมชาติอารมณ์มันก็มีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเวทนาก็มีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาร่างกายก็มีแก่มีเจ็บมีตายทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้หมดให้รู้ทันแล้วปล่อยวาง อย่าไปอยากอย่าไปยุ่งกับเขาอย่าไปมีส่วนเกี่ยวข้องอย่าไปอาศัยเขาอย่าไปรับประโยชน์จากเขาพอรับประโยชน์แล้วก็ต้องจ่ายเงินต้องทุกเวลาที่เขามาเก็บเงินเราเขาให้ของเรามาก่อนเวลาได้ของมานี่สุข ก, กันทั้งนั้นพอเวลาเข้ามาเอาคืนไปก็ทุกข์กันออต้องมองให้เห็นว่ามันทุกอย่างมาแล้วก็ต้องไป เวเรามาตัวปเปล่าๆเดี๋ยวเราไปแล้วก็ไปตัวปเปล่าๆไม่ได้เอาเราติดตัวไปเลยให้มองอย่างนี้เราจะได้ไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรอยู่กับความสงบดีกว่าเอาใจน ะ, ะจมีอะไรใครอยากจะถามอีกไหมอ่าวว่ามามีไมโครโฟนด้วยข้างล่างจะได้ยินชัดยมวัฒนาการ์ตหพ่อ่ค่ะ พ่อเมตคะ่ะคือหลวงพ่อพุทโธเป็นประจำที่หลวงพ่อเคยสอนเคสอนไว้แต่เวลาหลวเกิดมีสุขน้ำตามันก็ไหลแต่เวลาทหลวงก็น้ําตามันก็ไหลยอยากให้หลวงพ่อหลูไม่อยากให้น้ําตาเนี่ยมันไหลแล้วเจ้าค่ะหลวงอยากมันห้ามไม่หยุดนะคะหลวงอยากจะทํายังไงก็ไม่มีอุเบกขาไงก็ต้องฝึกสมาธินั่งเยอะๆนั่งให้จิตรวมเป็นอุเบกขา แล้วต่อไปมันจะเฉยมันไม่ไหลน้ําตาจะไม่ไหลจติตเรายังมีกําลังไม่พ อ, อยังระ ง, งับระ ง, งับอารมณ์ไม่ได้ไม่ว่าสุขหรือทุกข์เวลาเรารู้สึกร่างตอนที่รู้สึกเศร้าขึ้นมาปับ๊บ<อ>มันจะหยุดไม่ได้หรือกพุทโธแข็งก็มาแลมันเศร้ามันก็ต้องพุทโธไปเรื่อย ๆ, เ, อยๆเดี๋ยวก็หยุดมันได้แต่ที่นี้หนูเกิดอารมณ์ว่าทํำวันนี้ที่ขึ้นมาบนเขาก็คืออยากจะถามว่า อยากจะไม่ให้น้าตาไหลเนี่ยอยา ก, ก็เป็นทุกข์อกอต้องพุดโทรไปเรื่อยๆอย่างเดียวเราทำใจให้เป็นอุเบกขาแล้วก็จะไม่ไม่ไ ม, ไม่น้ำตาจะไม่ไหลวันนี้ทาง Facebook เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ Facebook ช่วงพระอาจารย์แสดงธรรมเข้ามาที่330คนครับแล้วทางยูท <YouTube. S 2> ูบ ตอนก็สัส่งทางที่70คนครับตอนนี้ก็ยังอยู่มี79คนนะครับนีมม้มีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเลยโ อ, อผ่านทางเฟ e b o o กกับยู u b e ใครอยู่ที่ไหนถ้าสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ก็สามารถติดตามถ่ายทอดสดได้มีคนอยู่ต่างประเทศ26ประเทศบางที่ที่ติดตามกันมาไม่ได้ทุกวันนะแต่ก็เก็บสถิติไว้ เคยถามว่ามาจากประเทศไหนเขาก็บอกประเทศนั้นประเทศนี้ก็จดบันเทึกไว้ได้ยี่หกประเทศเลยฮนะส่วใหญ่ก็เป็นคนไทยที่ไปอยู่ต่างแดนแห่ก็มีชาวต่างชาติอยู่สี่ห้าคนที่เข้ามาเป็นประจำอยู่คนมาจากสีลังกาคนนังจากอังกฤษคนจากฝรั่งเศสคนจากลัสเวกัสก็มีติดตามเป็นประจำเ้าก็ส่งข้อความส่งคาถามเข้ามา สามารถสื่อสารกันได้ทันทีทันใดเลยไม่ต้องเสียเงินเสียท อ, องตอบสังสเกตเยอะกันอ่าก็ตอบไปวันนี้มีภาษาอังกฤษเข้ามาไหมยังไม่มียังไม่มีอ่ามีคําถามทางบ้านก็ลองให้ส่งเข้ามาดูด้วยทำได้แตใน youtube ครับจากคุณลาวันการที่จะทําใจให้เป็นกลางได้นั้นจิตจะต้องปล่อยวางจะต้องละบุญละบาปด้วยจะถูกต้องไหมครับ จะต้องมีสติมันละเองไม่ได้หรอกต้องมีสติหยุดมันหยุดใจหยุดความคิดให้ใจเข้าไปเป็นอัปปนาสมาธิแล้วมันก็จะหยุดทุกอย่างเพราะมันไม่ต้องทำอะไรแล้วมันมีความสุขแล้วบุญก็ไม่ต้องทำทำบุญเท่าไหร่ก็ไม่ได้มีความสุขเท่ากับทำใจให้สงบบาปยั่งไม่ทำใหญ่รู้ทบาปทำแล้วมันร้อน ถ้ามีอัปปนาสมาธิมีความสุขแล้วก็ไม่ต้องไม่อยากได้อะไรแนละ้วไม่อยากได้ลาบยศสรรเสริญไม่อยากทําบุญไม่อยากอะไรนะทําบุญทําทานก็มีเงินก็ยกให้เข้าไปหมดเลยขอให้ไปบวชขอให้ไปอยู่คนเดียวนะภรรยาอยากได้เงินยกให้ไปเลยลูกอยากได้เอาไปขอขอเป็นอิสระเขอมีเวลาไปสร้างความสุขทางใจเท่านั้นเอง ถามไปจากทางเซสบุ๊กไลฟ์นะครับจากคุณจินดาครับเขาถามว่าคนรวยทําบุญหนึ่งล้านบาทกับคนจนทําบุญหนึ่งร้อยบาทจะได้บุญต่างกันไหมครับเพราะอะไรบุญมันมีสองส่วนคือบุญที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในใจเราอันนี้ขึ้นอยู่กับสัสดส่วนของเงินที่เรามีอยู่สมมุติว่าเรามีล้าร้อยล้านเราทําล้านหนึ่งเราก็ทำหนึ่งเปอร์เซ็ต ใช่ไหมถ้าเรามีพันหนึ่งเราทำห้าร้อยเราทำห้าสิบร้อยละห้าสิบความรู้สึกที่เราสูญเสียนี่มันมากกว่าจากคนที่เขาเสียล้านหนึ่งฉะนั้นคนที่ทําสัสดส่วนร้อยละห้านี้เขาจะมีความรู้สึกสุขมากกว่าคนที่ทําไปล้านหนึ่งเพราะล้านหนึ่งไม่มีความหมายอะไรสาหรับเขาเขายังเหลืออน้องเก้าสิบเก้าล้านแต่คนนี้มีอยู่ พันหนึ่งจ่ายไป 500, ห้าร้อยนี่เหลือครึ่งเดียวนั้นความสุขทางใจเรียกว่าบุญอันนี้ต่างกั น, ม, นมันต้องอยู่ที่สัดส่วนของสัดส่วนของสมบัติของตนที่มีอยู่อันนี้ส่วนอันนี้สงที่จะได้รับกลับมาชาติหน้านี้ก็ต่างกันคนที่ทำร้านก็จะได้ร้านบวกดอกเบี้ยคนที่ได้ทำห้าร้อยกลับมาก็จะได้ห้าร้อยบวกดอกเบี้ยเหมือนนำเงินไปฝากทธนาคาร มันจะได้เท่ากันไม่ได้หรอกอ่าใช่ไหมใช่เวลากลับมาเกิดชาติหนะ้าคนที่ทำร้านมันก็มีร้านหนึ่งมารออยู่บวกดอกเบีย้ยคนที่ทำห้าร้อยก็กลับมาเกิดก็ยังมีห้าร้อยบวกดอกเบีย้ยทำไมไม่มมยุติททำไงก็ทำห้าร้อยได้ความสุขมากกว่าคนทำร้านอย่างเงี้ยอยงี้ก็ไม่ยุติดทำอีกอะแล้วอพอกลับมาเกิด ทำหมาทําร้อยอยากจะได้ทากับคนทำร้านนึงอะมเป็นปันไ ม, ไ, ไม่ได้ลองไม่ถามธนาคารธนาคารก็ไม่ยอมจ่ายหรอกกนดูพ่อแม่จันทร์ดรเนี่ยท่านท่านทำน่าไหไรท่านมีทั้นหมดตักเลยเหมือนหน้าตักเลยแล้วพอกลับมาเกิดก็มาเป็นเจ้าชายสศรษฐะเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนั้นอ่ะมันต่างกันสองลักษณะเวยกัน สังที่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในขณะที่เราทําเสียสละถ้าเป็นสัดส่วนมากเราก็จะได้ความสุขมากมันไม่ได้อยู่ที่ปริมาณของทรัพย์นะแต่ทรัพย์ที่เราจะได้กลับคืนถ้าเรายังกลับมาเกิดใหม่อันนี้ก็อยู่ที่ปริมาณของทรัพย์ที่เราให้ไป <c oughs> ให้ไปห้าร้อยก็ต้องได้ห้าร้อยบวกดอกเบี้ยนั่นเองถ้าให้ไปล้านก็จะกลับมาได้ล้านบวกดอกเบี้ย คำถามต่อไปจากคุณสิริรัตน์ครับดิฉันมีกิจการโรงแรมและมีห้องอาหารในโรงแรมไม่อยากขายเหล้าเบียร์แต่ลูกและสามีไม่เห็นด้วยดิฉันจะทําอย่างไรดีก็เลิกกันซิถ้าเป็นความเห็นไม่ต่างก็ไม่ตรงกันก็แยกทางกันหรือแม่เช่นั้นก็ต้องยอมฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ต้องยอมไปถึงจะอยู่ด้วยกันได้คําถามต่อไปจากคุณพิมพรครับ อาจารย์คะถ้าเรามีเพื่อนแล้วเราจะไปบวชไปปรีวิเวกไปปฏิบัติธรรมในวันพระใหญ่ถามค่ะเราชวนเพื่อนไปด้วยเขาไปด้วยความเต็มใจหนูจะได้รับบุญที่หนูได้ชวนเพื่อนไปบวชไหมคะเออไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าเราทําให้เขาได้มีโอกาสได้มามาม า, มามีโอกาสได้มามีความสุขอาจจะได้ก็ได้ตรงที่ความเมตตาเรามีความเมตตาบาดธนาดีกับเขา อยากจะให้เขามีความสุขเหมือนเราก็เลยชวนเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วก็ถ้าเขามาปฏิบัติแล้วเขาได้รับผลดีเขาก็อาจจะรักเราชอบเราอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราทำความดีจะทำให้เป็นที่รักของผู้อื่นก็ต่อไปครับหนูคุณ หนูไปบวชสามวันนี้หนูควรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสิ่งไหนให้ได้มากที่สุดครับก็ให้สมาธิให้ได้ให้สติให้ได้ก่อนถ้าได้ทั้งสองอย่างก็ดีได้ทั้งสติได้ทั้งปัญญาได้สมาธิได้อัปปนาสมาธิได้ปัญญาก็จะได้หลุดพ้นเลยได้ได้ภาวนาม่ยัปัญญาคำถามต่อไปจากคุณสุนันทาครับ ทุกครั้งที่ออกจากสมาธิจำเป็นต้องแผ่เมตตาไหมคะการแผ่เมตตานี้มันต้องแผ่ตอนที่มีคนรับไม่ใช่แผ่โดยที่ไม่มีใครรับการสวดสัพเพสตานี้ไม่ได้แผ่เป็นการสวดเป็นการเตือนใจสอนใจว่าเราต้องแผ่เมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเราต้องไปเจอพบสบรรพสัตว์ก่อนไปเจอคนนั้นคนนี้ก็ทักทาย สบายดีเหรือนี่ก็แผ่เมตตาแล้วไม่ใช่หน้าบึ้งใส่กันแล้วก็ถ้ามีขนมนมเนยมีของแจกก็มาแจกกันหรือถ้าเกิดมีความไม่พอใจก็ให้อภัยกันมันต้องมีเหตุการณ์มีบุคคลที่จะรับความเมตตาของเราไม่ใช่นั่งอยู่คนเดียวแล้วก็แผ่ไปครอบจากกวางไม่ได้แผ่ไปไหนมันไม่มีคนรับใช่ไหม เขาให้สอนให้สวดเพื่อจะได้รู้จักวิธีแผ่สอนให้เราเตืนใจแล้วว่าเราต้องมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายวิธีที่จะมีความเมตตก็มีอยู่สี่ลักษณะอเวลาโหนตุอย่าจองเวรกันให้อภัยกันอัปยาปชาโหนตุอย่าเบียดเบียนกันเช่นทำงานแข่งขันกันก็นกอย่าไปทำบาปต่อกัน ทำให้มันถูกด้วยวิธีสุดจริตอย่างนี้ไม่ใช่โกงกันแก่งแย่งกันชิงดีกันอย่างเงี้ยไม่เบียดเบียนกันคืออย่าไปสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นข้อที่สามอนิคาโหนตุอยากให้คนอื่นเขาหลุดจากความทุกข์ยากลำบากต่างๆมีความปรารถนาอยากให้ผู้อื่นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ยากเห็นเขาทุกข์เขายากลาบากพอจะช่วยเหลือเขาได้ก็ช่วยเหลือเขาไป สุ ข, ขีอตานังปริหารันตุอยากให้เขามีความสุขถ้าเห็นเขาไม่สบายใจก็ลองหาวิธีทำให้เขาหายจากความไม่สบายใจทุกข์ใจอะไรบอบใจเขาหรือทำอะไรให้เขามีความสุขขึ้นมาซื้อขนมมาให้กินก็นได้ซื้อเสื้อผ้ามาฝากสักชุดหนึ่งกระเป๋าสักใบนึงอันนี้ก็เป็นการให้ความสุขแก่ผู้อื่น นี่คือวิธีแผ่เมตตามันต้องแผ่ด้วยการพบปะกันแผ่ด้วยการเสียสละประโยชน์สุขของเราแล้วเราใช้อีกทางใช่ไหมคะทางไหนอะอทางเมย์ไม่รู้เหมือนกันอ่ะได้บอกว่าที่บอกอีทางเมยยติโยหัวตุกอะค่ะไม่รู้เราก็ไม่่ <c oughs> ไมเกี่ยวอันนี้เป็นการสวดเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นการกระทําอะไรทั้งนั้นเนอ การกระทำต้องเวลาที่เราเนี่ยเจอแฟนก็เวลาแฟนทําอะไรไม่พอใจก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเนี่ยเราเราอยากให้พ่อแม่ที่เสียไปแล้วเวลาเราทําบุญหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ต่องอุทิศบุญคนละเรื่องกันแล้วเนี่ยอ อ, อุทิศบุญก็ไปถวายสังฆทานเนี่ยแล้วก็อุทิศไป อ, อ, อยากจะอุทิศบุญต้องถวายสังฆ ท, ทานทําทานสมัยนี้ชอบอุทิศบุญโดยไม่ต้องเสียเงิน <laughs> พอพอนั่งสมาธิแล้วก็มีบุญแล้วส่งไปแล้วยังไม่ได้ผลเลยนั่งจิตยังไม่ได้ผล <c oughs> แล้วพระเจ้าถึงสอนให้อุทิศบุญด้วยการถวายทาน <c oughs> แต่พวกเรามันอยากจะถวายแบบไม่ต้องเสียงเงินกันอุทิศแบบไม่ต้องเสียงเงินกันยังตนอีอยู่ยังโหง่กันอยู่ ถ้าอุทิศให้คนตายนี่ต้องทานอย่างเดียวเออท่านสอนอย่างนั่นนี่ท่านไม่ได้สอนอย่างอื่นเนี่ยพระเจ้าสอนให้ทําทานดาวอุทิศบุญง่้ทําทานไม่ได้สอนให้ไปนั่งสมาธิแล้วอุทิศบุญอ่าต่อไปครับคำถามต่อไปจากเฟซบุ๊กครับต่ากคุณเน็กก้ครับ ถ้าเราหนีไปบวชโดยทิ้งครอบครัวไว้ให้อีกคนดูแลเราจะบาปไมาหมคะพระอาจารย์เราก็จะได้เป็นเหมือนพระพุทธเจ้าที่ย่บาปตรงไหนตอเช้ากันหนีไปบวชไม่ใช่เลยทำต่อไปจะคุณคุณสุขครับยิ่งปฏิบัติธรรมมากก็ยิ่งเห็นทุกข์มากขึ้นแต่ใจก็ยังไม่เป็นอุเบกขากับทุกข์ยังมีความกังวลและใจหายเวลาที่คิดว่าต้องพ้นท่าจากคนที่รัก กับความตายที่จะมาถึงแสดงว่ายังปฏิบัติไม่มากพอใช่ไหมครับใช่จิตยังไม่สงบยังไม่สามารถวควบคุมใจให้เป็นอุเบกขาได้ตลอดเวลาอุเบกขานี่ถ้าทําแล้วต่อไปมันจะได้ตลอดเวลาไม่เฉพาะแต่อยู่เวลานั่งเ อ, อกมาก็มีสติหยุดมันได้เวลาใจมันจะสะเทือนอะไรมันก็ใช้สติหยุดได้ขอบคุณพ่อจ้ะคะและการที่หนูจะคิดว่าการที่อยู่บ้านกับที่มาตรงเนี้ย เออผมคิดว่าสภาพาสี่แหวนรอบสำคัญที่สุดใช่ไหมค ะ, คะมันทำให้หนูรู้สึกพอเราหนูมานั่งตรงนี้รู้สึกแตกต่างจากที่ได<ภ>้สถานที่สำคัญใช่ไหมท่านบอกกายวิเวกจิตก็จะวิเวกตา ม, มถ้ากายวุ่นวายจิตก็จะวุ่นวายตามถ้าเราอยู่ที่วุ่นวายใจเราก็ต้องวุ่นวายไปกับถึงต่อให้เรานั่งอ่ะมันก็มันไม่เหมือนกันเห็นพวกเจ้าก็นั่งในวังดีกว่าไม่นั่งไปนั่งเลย <laughs> ใช่ไหม เชิญถามได้กับอนุโมทนาค่ะขออนุ ญ, ญาตพระอาจารย์เจ้าค่ะคำถามก็คือว่าคือรูปฝึกพัฒนาจิตอยู่คือฝึกการปล่อยวางนะเจ้าค่ะอย่างกรณีถ้าเกิดเราทําบุญหรือสร้างกุศลใดๆก็แล้วแต่เนี่ยขณะทำํำเราก็มีความสุขก่อนทําแล้วก็มีความสุขแล้วเจ้ค่ะแต่พอทําเสร็จแล้วเนี่ยเราก็วางไปคือเราไม่ได้คิดถึงว่า ทำเสร็จแล้วบุญนี้จะเดินทางไปสู่ในจุดใดหรือเราจะได้บุญอะไรจากการที่เราได้ทำบุญหรือกุศลนั้นๆนะเจ้าค่ะอันนี้คือรูกทําถูกไหมเจ้าค่ะถูกแล้วมันเป็นอดีตผ่านไปแล้วเราต้องอยู่กับปัจจุบัน เ, เราก็ทำไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังมีโ อ, อ, อกาสที่ทำได้ก็ทำไปทำไปจนกว่าเราไม่มีเงินจะทำนะนั่นหมายถึงว่าคือ การทำบุญโดยที่ไม่ได้หวังผลผลก็ยังคงทำงานของเขาไปใชนน่เราไม่ต้องไปทำบุญเมนันอกินข้าวคนไม่หวังให้มันอิ่มไม่ต้องหวังมมันอิ่มเองมันรู้กินแล้วมันก็อิ่มทำบุญแล้วใจก็สุขมันก็สุขเองไม่ต้องไปหวังคลกบอกว่าทำบุญก็ให้วางไปก็ไม่ต้องไปติดกับมุ<ะ>ไม่ติดกับความดีไม่ติดกับการดีใจไม่ใช่ไม่ให้ไปติดกับผลมัน มันมาเองมันไม่ต้องไปกังวลกับมันแต่ให้ติดบุญติดความดีไว้ให้ทำไปเรื่อยๆทำไปเสร็จก็วางไปไนครับค่ะทามต่อไปจากคุณทัทินครับการที่เราไม่ค่อยยินดียินร้ายในเหตุการณ์ต่างๆแต่ก็ยังรับยอมรับรู้อยู่แต่ก็รู้สึกเฉยๆคิดแต่ว่านั่นคือสัตว์โลกเป็นไปตาม ก, ากรรม แต่ยังมีอาการสงสารอยู่ช่วยได้ก็จะช่วยช่วยไม่ได้ก็ก็ต้องปรองอนิจังอยากสอบถามว่าอารมณ์แบบนี้มันคืออะไรทุกก็ไม่ค่อยทุกข์สุขก็ไม่ค่อยสุข ม, มันมองโลกแบบเบื่อเบื่อแต่ไม่ได้อยากตายยังคิดอยากทากิจการงานอยู่เพื่อให้เกิดผลแต่ไม่ได้วิตกอะไรทาอะไรก็ได้ไม่ทำก็ได้อยากราบว่ามันคืออารมณ์อะไรครับก็อารมณ์ปล่อยวางมนะั้ง คือยังไงก็ได้ไม่มีความอยากถ้ามีความอยากแล้วมันอะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นอ่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้แสดงว่าใจคงไม่มีความอยากกับเหตุการณ์ต่างๆอะไรจะเกิดก็เกิดไปเราจะทําอะไรก็ใช้เหตุผลก็ก็ใช้ได้เช่นถ้าช่วยเหลือใครได้ก็ช่วยเหลือไปแต่ไม่ทุกข์ถ้าไม่ได้ถ้าช่วยเหลือไม่ได้ก็ไม่ทุกข์เพราะไม่ได้ช่วยเหลือด้วยความอยากช่วยเหลือ ถ้าช่วยเหลือได้ก็ช่วยเหลือไปช่วยเหลือไม่ได้ก็ปรงไปว่าเป็นกรรมของสัตว์ไปอย่างนี้ก็เรียกว่าใจเป็นใจที่มีปัญญาเป็นใจที่มีเหตุมีผลอมองโลกตามความเป็นจริงคำถามาต่อไปจากคุณปางครับการที่ผมจะบวชโดยที่ไม่ได้ทําตามบรัรณีคือจัดพิธีต่างๆเช่นต้องมีการแห่จัดขบวนเหมือนในปัจจุบัน แต่พ่อแม่ต้องการให้ทำแล้วผมค้างคือบอกคือบอกว่าผมจะไม่ให้จัดพิธีผมอยากไปขอปฏิบัติธรรมแล้วขอบวชที่วัดเลยโดยไม่ต้องมีพิธีแต่พ่อแม่ก็อยากให้ทำผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นผมต้องอธิบายให้พ่อแม่เข้าใจหรือต้องทำยังไงครับถ้าเราคิดว่าส่วนหนึ่งของการบวชของเราเพื่อเป็นการทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ก็ทาตามพ่อแม่เขาเถิดเขา มีลูกคนหนึ่งที่จะบวชเขาก็อยากจะทำตามประเพณีเพราะเขาเชื่อว่ามันเป็นการกระทาที่ถูกต้องก็ไม่เห็นเสียหายตรงไหนส่วนของพ่อแม่ก็ทำให้พ่อแม่เข้าไปเขาให้จะแห่ก็แห่ไปเขาจะเลี้ยงงานเลี้ยงอะไรก็ปล่อยเขาเลี้ยงไปเดี๋ยวบวชเสร็จแล้วเราก็ไปเราก็ไปปฏิบัติของเราได้นั้นอย่าเอากิเลสของเราอันนี้ก็เป็นความอยากอยากบวชแบบไม่มีพิธี ถึงแม้ว่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องก็ตามแต่ถ้ามันเราไม่อยู่ในสภาพที่จะทำได้เราก็อย่าไปฝืนมัน เ, เดี๋ยวจะทำให้พ่อแม่เสียใจแทนที่จะตอบแทนคุณพ่อแม่กลับทำให้เป็นเหมือนกับการเนรคุณพ่อแม่ไปได้ก็ต้องเอาใจพ่อแม่ด้วยถ้ามันไม่ผิดกฎหมายผิดกดศีลธรรมธรรมเนียมที่ดีงามก็ทำไป เ, เถิดคขับทาต่อไปจะคุณเจ้าฮัครับ ได้นั่งสมาธิโดยดูลมพร้อมบริกรรมพุโทโธแต่มีขณะหนึ่งรู้ตัวว่าได้แต่ดูลมอย่างเดียวบริกรรมพุโทโธหายไปจึงกลับมาบริกรรมพุโทโธพร้อมทั้งดูลมอีกครั้งแบบนี้ถือว่าขาดสติหรือเปล่าครับและควรปฏิบัติเช่นนี้ต่อไปคือดูลมพร้อมกับบริกรรมพุโทโธหรือแค่อย่างได้อย่างหนึ่งครับก็แล้วแต่เราจะเลือกเอาถ้าเรายังดูลมอยู่ไม่ได้บริกรรมเราก็ยังมีสติอยู่ บางทีบริกรรมแล้วมันเมื่อยมันเหนื่อยก็หยุดบริกรรมดูลมอย่างเดียวมันง่ายกว่าแต่ใหม่ๆจิตมันฟุ้งถ้าดูลมมันไม่ยอมดูมันจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็บริกรรมกำกับไปด้วยพอจิตเริ่มเริ่มไม่ฟุ้งแล้วมันก็จะหายไปมันพอดีก็หยุดบริกรรมไปแล้วก็ดูลมเฉยๆอย่างเดียวไปก็ได้อันนี้ต้องขับรถเน่ยมันก็ขับรถบางทีต้องเปลี่ยนเกียร์แล้วแต่สภาพถนน ว่ารถมันเยอะรถมันวิ่งช้าวิ่งเร็วฮะสมัยก่อนมันไม่มีเกียร์ออโต้มันต้องคอยเปลี่ยนเกียร์อันนี้ก็เหมือนกันนั่งสมาธิบางทีก็ต้องเปลี่ยนเกียร์้าเริ่มต้นจิตมันฟุ้งบางทีก็ต้องสวดมนต์ไปก่อนบริกรรมไปก่อนพอมันหายฟุ้งแล้วดูลมได้ก็ดูลมไปคำถามต่อไปจะเป็ทัพทิมครับสมาธิกับปัญญาอันไหนดีกว่ากันครับ แต่โยมยังไม่มีสมาธิยังไม่นิ่งแต่ชอบฟังธรรมมากๆ ม, มันก็ต้องมีทั้งสองอันอนถึงจะดีจริงๆมันก็มีแขนสองข้างมีแขนแขนซ้ายกับแขนขวาเนี่ยจะเอาแขนไหนดีหรือจะเอาสองแขนดีมันก็มีสองแขนมันก็ดีกว่าแขนหนึ่งคำถามต่อไปจากคุณฮาหน่งครับ การเจริญปัญญาควรทำทุกครั้งหลังนั่งสมาธิใช่ไหมครับอ๋อควรท ำ, ำทุกเวลาที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิเห็นอะไรก็พิจารณาเป็นอ น, นิจจังไปเห็นเงินก็พิจารณาเป็นอนิจจังไปเห็นแฟนก็พิจารณาเป็นอนิจจังไป พอพิจารณาจนหดหูอะค่ ะ, ะก็แสดงว่าไม่มีสมาธิอย่านก็ต้องกลับไปนั่งสมาธิก่อน<ะ>ถ้าจิตสงบแล้วมันจะไม่หดหูอ๋อแล้วได้นั่งสมาธิแต่ใช้พิจารณาไม่ได้อย่างนี้มันก็ฟุ้งแล้วก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาอดังนั้นก่อนจะเจริญปัญญาได้<ะ>ได้ดีต้องมีสมาธิก่อน อ, อย่างถ้ายังไม่มีสมาธิพยายามนเน้นที่การสร้างสมาธิขึ้นมาก่อนค<ะ>ําถามจากคุณดอนนะครับ จิตที่ชอบวิ่งเวลาสมาธิควรทําอย่างไรครับก็เด้งมันกลับมาด้วยคําบริกรรมพุทโธพุทโธอย่าปล่อยให้มันวิ่งคําถามต่อไปจากคุณเบิร์ตครับในยุคปัจจุบันการเป็นพระอรหังต้องเป็นแบบสุขาวิปัสสโภอย่างเดียวใช่หรือไม่สามารถเป็นพระอรหังในรูปแบบอื่นได้หรือไม่ครับได้ทุกรูปแบบนีมันอยู่ที่อยู่ที่บุญเดิมวาสนาเดิม บางคนมีวาสนาเดิมเขาก็สามารถบรรลุอภินยาได้ด้วย yeah. บางคนก็ไม่มีวาสนาแา่ทางนี้ก็ไม่ได้บรรลุมันมันอาการลิโกการบรรลุธรรมนี่มันไม่ได้เปลี่ยนไปตามการตามเวลาสมัยอัศพุธการบรรลุแบบไหนสมัยนี้ก็บรรลุแบบนั้นได้เหมือนกันบรรลุได้ทุกรูปแบบอยู่ที่บุญเก่าของผู้ที่ปฏิบัติว่ามีบุญอะไรเก่าติดตัวมาด้วย yeah. ถ้ามีอภิญญาติดตัวมาด้วยมันก็จะมีมันก็จะได้อภิญญาด้วยนะครับถ้าเคยละเลิกชาติได้มันก็จะละเลิกชาติได้ของเหล่านี้มันเป็นของที่เคยสะสมมาในอดีตคํำถามต่อไปจะเป็นขุนศึกครับขอพระอาจารย์ชี้แนะคําว่าเจริญปัญญาและคําว่าเจริญสติแต่สั่งกันใหมครับตางสตินี่เราต้องการหยุดคิดเราต้องให้ใจ มีอะไรอยู่อย่างเดียวอยู่กับอย่างเดียวเช่อนอยู่กับพุโทโธพุโทโธอย่างเดียวไม่ให้คิดถึงกนิจังทุกขังอนัตตาไม่ให้พิ จ, จารณาให้หยุดคิดโดยการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นคำบริกรรมพุโทโธถ้าไม่ชอบพุโทโธจะใช้ร่างกายก็จดจอ่อเฝ้าดูการกระทําของร่างกายไปเ อ, อ นึกถึงอาการอาันใดอันหนึ่งของร่างกายก็ได้โครงกระดูกเนี่ยเพ่งนึกถึงแต่โครงกระดูกอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรทั้งสิ้นในใจมีแต่โครงกระดูกอย่างเดียวเห็นแต่โครงกระดูกคิดแต่โครงกระดูกอย่างเดียวอันนี้เรียวกวการจเจริญสติส่วนปัญญานี่เราต้องวิเคราะห์เหมือนกับเราเรียนหนังสือเหมือนกับเรียนคณิตศาสตร์สองบวกสองเป็นสี่สี่คูณสี่เป็นสิบหกเนี่ยมันก็ต้องมาพิจารณา อันนี้จางมันเป็นไงไม่เที่ยงคาว่าไม่เที่ยงมันเป็นยังไงเช่นร่างกายเรามันไม่เที่ยงเพราะอะไรเพราะมันไม่เหมือนคาว่าไม่เที่ยงก็คือไม่เหมือนเดิมเอกิดมาแล้วมันเหมือนเดิมไหมเกิดมาตอนที่ออกจากท้องแม่ม่ใหม่เป็นยังไงแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงะมันไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนไปอันนี้ก็ต้องวิเคราะห์แล้วมันจะเปลี่ยนไปถึงจุดไหนก็วิเคราะห์ไปเรื่อยๆก็เปลี่ยนไปจ่างมันกลายเป็นขี้เท่าไป ก็คือนี่เรียกว่าปัญญาต้องวิเคราะห์คำถามต่อไปจกคุณลาวันครับละความอยากจะแตกต่างกับมีความเฉยเฉยกับความอยากจะแตกต่างกันไหมคะเวลาเฉยเฉยมันก็ไม่มีความอยากเนี่ยเวลามันไม่เฉยทีนที้เกิดความอยากเวลาอยากดื่มกาแฟนี่แสดงว่ามไม่เฉยแล้วถ้ามันเฉยมันก็ไม่ดื่ม ทำามต่อไปจากคุณตูงครับโยมนั่งสมาธิไปด้วยฟังพระอาจารย์สอนทําไปด้วยแบบนี้จะทําให้จิตของเราไม่สงบหรือไม่คะหรือควรจะแบ่งแยกเวลากันเจ้าคะถ้าจะนั่งสมาธิก็อย่าไปฟังธรรมเพราะเราต้องการที่จะให้ใจนิ่งให้ใจจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวนอกจากว่าถ้าเราใช้การฟังธรรมเป็นวิธีฝึกนั่งสมาธิก็ได้อยู่เชนเราฟังเสียงธรรมไปเรื่อยๆแต่เราไม่ได้พิจารณาตา่างเราเพียงแต่ใช้เสียงธรรม เหมือนกับเราใช้พุโทโธจดจอ่อฟังแต่เสียงแต่ไม่เข้าใจว่ากาลังพูดอะไรแต่ใจมีอะไรเกาะไว้้ามีเสียงธรรมเกาะไว้ใจก็สงบได้แต่คิดว่าคงจะไม่สงบเต็มที่ถ้าอยากให้สงบเต็มที่ดูลมหายใจดีกว่าปิดปิดเสียงเทศแล้วก็ดูลมหายใจไปอย่างเดียวหรือบริกรรมพุโทโธไปอย่างเดียวแล้วจิตมันจะรวมเข้าสู่สมาธิได้ คำถามต่อไปจะคุณหน้อยหนาครับเวลามีวาระความโกรธมากระทบเหมือนมันประเด่งออกไปไม่โกรธมองดูเฉยๆอย่างนี้ถูกไหมเจ้าครับะแสดงว่าเรามีสตินําไม่โกรธตามแต่ยังไม่ยังยังไม่มีปัญญาถ้ามีถ้ามีปัญญามันจะไม่เกิดเลยเพราะปัญญาจะไปแก้ที่ต้นเหตุของความของความโกรธต้นเหตุของความโกรธก็คือความอยาก อยากได้นั่นพอไม่ได้ก็โกรธใช่แต่ถ้าเราไม่อยากได้แล้วเราก็จะไม่โกรธไม่อยากได้แล้วเราก็จะไม่โกรธใครแต่พอเราอยากได้สิ่งนั้นจากคนนั้นเขาไม่ให้เราเราก็โกรธเขาถ้าอยากจะไม่โกรธเลยก็<อ>ต้องละความอยากถ้าไม่มีความอยากเราก็ยังไม่โกรธใครถ้ายังมีความโกรธอยู่ก็แสดงว่ายังมีความอยากอยู่ ถ้าต้นเหตุของความอยากก็คือความหลงก็ต้องไปใช้ปัญญาสอนสอนใจว่าอย่าไปหลงกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้มันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นสุขเราปัญญาคําถามต่อไปจากคุณโมนีครับการให้อาหารแก่สุนักทรจัดทุกวันถือว่าเป็นการทําบุญไหมคะแล้วอุทิศได้ไหมครับน่าจะได้นะเพราะมันก็เป็นการเสียสละเงินทองของเราแล้วมันก็เกิดบุญขึ้นมาแล้ว ความอิ่มใจสุขใจที่เกิดจากการทําทานทํากับพระก็ได้ทํากับสุนัขก็ได้เพียงแต่ว่าตัวอย่างที่พระเจ้าสอนให้ท่านให้ทํากับพร ะ, ะยังแต่ถ้าจะมามาวิเคราะห์ดูก็อาจจะได้มันก็เป็นบุญเหมือนกันเป็นการเสียสละเหมือนกันแต่ถ้าจะให้แน่ใจก็ไปทําบุญกับพระดีกว่า <c oughs> คำถามต่อไปจากคุณนพลครับสามีและภรรยาพรงปฏิบัติต่อกันอย่างไรครับเพื่อให้ชีวิตผู้อยู่กันจนหมดกรรมการครับก็มีศีลห้าด้วยกันมีความซื <referenced S 3> ่อ <một> สัตย์สุจริตต่อกันแล้วก็มีมีจาคะคือมีการเสียสละเอาออกเอาใจกันอย่าเอาแต่ใจเราต้องเอาใจเขาเอาใจของกันและกัน เรียว่าจากคะเสียสละแล้วก็มีสัจจะความซื่อสัตย์ต่อกันมีธรรมะความอดกลั้นเวลาอารมณ์ไม่ดีก็อย่าระบายออกมาอย่าพูดอย่าบน่นอย่าอะไรเก็บไปเรียว่าธรรมะแล้วขันติอดทนเวลาทุกข์ยากลําบากก็กัดฟันสู้กันไปถ้ามีมีธรรมทั้งสี่ประการนี้แล้วก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขะ ไน่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีเลยไม่จเอาใจตัวเองให้ไม่มีการเสียสละเลยไม่มีซื่อสัตย์เลยหลอกกันโกหกกันไม่อดทนไม่อดกั้นเลยมีอารมณ์ไม่ดีก็ระบายออกมาเลยตะวาดเลยอดทนเวลาหิวหน่อยก็ทนไม่ไหวละโกรธละระบายออกมา คำถามต่อจากคุณบุญญานี้ครับรักษาศีลห้าพอกับการเจริญสติสมาธิปัญญาปฏิบัติธรรมจนถึงพ้นทุกจนนิพพานได้ไหมเจ้าค่ะรักษาศีลห้าอย่างเดียวเลยค่ะศีลห้ามันก็ได้แค่ศีลห้าเลยมือนกินกับข้าวอย่างเดียวมันยังกินไม่เยอะอาหารอย่างอื่นไม่กินะมันต้องกินให้ครบชุดเนี่ยกินทั้งผักกินทั้งเนื้อกินทั้งผลไม้กินทั้งอะไรมัน มันจะได้อาหารคร บ, ครบชุดมันถึงจะอิ่มเต็มที่เป็นแล้วรักษาร่างกายให้อยู่เป็นปกติสุดได้อย่างเต็มที่อยงนั้นสูตรที่พระเจ้าให้มาก็ต้องทําทั้งหมดแต่เพียงแต่ให้ไตเต้าขึ้นไปเพราะมันเป็นของที่ต้องเพิ่มความยากขึ้นไปเรื่อยๆตอนต้นก็ทําทานก่อนง่ายที่สุดพอทําทานได้ก็รักษาศีลห้าไปรักษาสีลห้าได้ก็ลองเพิ่มเป็นสินแปดในวันพระดูอ่า ถ้ารักษาศิ้นแปดได้ก็ก็รักษาจากวันหนึ่งก็เป็นสองวันสามวันไปพอรักษาสิ้นแปดได้ก็ไปอยู่วาดไปนั่งสมาธิได้ไปทําใจให้สงบได้พอใจสงบก็มาพิจารณาปัญญาไดพิจารณาทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราแล้วใจก็จะไม่หดหู่ใจก็จะยอมรับแล้วก็ปล่อยวางได้ความเป็นธรรมดา คำถามต่อไปจากคุณรุ่งรักครับดิฉันอยากทราบว่าการฝึกมรณานุสติให้ประโยชน์อะไรบ้างคะแล้วต้องปฏิบัติอย่างไรคะก็เป็นการเจริญปัญญาให้เราเห็นว่าชีวิตของเราไม่เที่ยงเป็นอนิจจังร่างกายของเราไม่เที่ยงเป็นอนิจจังเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับกับความตายของเราถ้าเราทําใจได้ทําใจให้เฉยได้เราก็จะไม่ทุกข์กับเวลาที่ร่างกายตาย yeah. มันก็จะต้องพาให้เราไปฝึกสมาธิกันเพราะเรารู้ว่าตอนนี้เรายังทำใจไม่ได้ถ้าอยากจะทำใจก็ต้องไปฝึกสมาธิไปถือศีลแปดไปอยู่วัดไปปีกวิเวกเพื่อจเจริญสติเพื่อนั่งสมาธิทำใจให้เป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาพอาได้อัปปนาสมาธิแล้วทีนี้ก็มาพิจารณาความตายก็จะเฉยได้ยอมรับได้ก็จะพ้นจากความทุกข์ทางร่างกายได้ คำ ถ, ถามต่อไปจาก <c oughs> คุณทัศนีครับจิตของพระ อ, อรหันต์มีอาการสะดุ้งตกใจเหมือนคนปกติไหมครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะลองไปถามคนที่เขาเป็นดูเลยคำถามต่อไปจากคุณตันครับถ้าเราเป็นลูกที่ดีถ้าเราเป็นลูกที่ต้องดูแลพ่อแต่พ่อเป็นคนเจ้าอารมณ์และไม่มีเหตุผลเอาแต่ใจบางครั้งเราทนไม่ได้ ก็ทะเลาะกับท่านจนบางครั้งท้ออยากปล่อยท่านไว้ให้อยู่กับคนอื่นเช่นจ้างคนมาเลี้ยงเราจะได้บุญดีกว่าไหมครับตัดปัญหาเรื่องทะเลาะกับท่านได้ถ้าเราอยู่เลี้ยงท่านไม่ได้ให้คนอื่นมาเลี้ยงแทนได้ก็ได้เหมือนกันเพราะบางทีแล้วมันดีไม่ดีต้องมาอยู่ทะเลาะกันมาโกรธกันก็ถอยไปก่อนดีกว่าแต่ถ้าเราทําใจได้ แล้วก็ไม่ทะเลาะ ก, กับท่านเราเลี้ยงดูท่านด้วยตัวเราเองมันก็จะได้ประโยชน์มากกว่าได้ความสุขมากกว่าเพราะเราได้ทำด้วยตัวของเราเองทำไมเราไม่นึกถึงตอนที่ท่านเลี้ยงเราบ้างล่ะเราก็มันก็สุดเหมือนกันนะจะขี้จะเยี่ยวเมื่อไหร่ก็ร้องขึ้นมาถออ้า น, นอนหลับดึกดึกหนึ่งเดินก็โวยวายขึ้นมาแลวอวทำไมตอนนั้นไม่คิดกันบ้างมาคิดตอนที่เราต้องใช้หนี้เขานี่ใช่ไออ ลองคิดย้อนหลังดูบ้างสิว่าพ่อแม่เขาทุกยากลำบากกับเรามาขนาดไหนไอเราเพียงแต่คอยเลี้ยงพ่อแล้วก็รับอารมณ์ของพ่อแค่นี้รับไม่ได้เลยท่านจะพูดอะไรก็ปล่อยท่านพูดไปสิใช่ไหมล้วก็เฉยเฉยไปนั่นเองนึกถึงบุญคุณของท่านเราลืมบุญคุณไปเลยทำให้เราคิดว่าเราทำประโยชน์ให้กับพ่อมากความจริงเราทำนิดเดียวนั่นเองพราะเจ้าก็บอกแล้วว่าบุญคุณของพ่อแม่นี่เนะี่ย เราใช้ไม่หมดนะท่านบอกต่อให้แบกท่านไว้บุญบาบนไหลให้ท่านอุจจาะปัสสวะใส่เราปนจนถึงวันตายนี่บุญคุณที่เราชดใช้ท่านก็ยังไม่เท่ากับบุญคุณที่ท่านมีกับเราเพะฉนั้นขอให้เราพยายามนึกถึงบุญคุณของท่านแล้วจะทําให้เราเกิดความกตัญญู ก, กะตะเวทีขึ้นมาว่าชีวิตของเราทั้งชีวิตนี้ทุกอย่างที่เรามีอยู่นี่มันมาจากใคระ ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เราจะมาเป็นอย่างนี้ได้หรือเปล่าไม่ต้องขัดคิดอย่างนี้บ้างพอแล้วนะวันนี้ได้แล้วก็มีใครอยากระถามในที่นี้ไม่มีแล้วนะอย่างนั้นองั้นก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัต